ท่านความอบบางใจในธรรมถับขอให้เราทั้งหลายสำเน็จระลึกศึกษาให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติโดยจิตใจอันดีงามแต่ใจไม่ดีต้องพยายางชำรสะสสางแต่งให้ดีความดีได้ด้วยอาศัยสติและปัญญาที่จรนาให้เห็น อำนาจประโยชน์และความสุขของจิตใจดเีเราไม่ต้องมองที่อื่นมองในใจของเรานี่แหละเพราะบางครั้งจิตใจของเราดีเราก็มีความสุขจริงๆไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงแต่ความดีนั่นอาศัยอะไรเพียงแค่ไหนที่ได้ความสุขก็มีผลเกิดขึ้นอาศัยความดีที่เราประรอบบุญกุศลรูป ตามมาไว้จรก็ความดีความสุขก็เกิดขึ้นตามฐานะตามภูในความดีที่เรายินดีที่เราจะทำและปฏิบัติอย่างละเอียดประณีตตามกำลังของเราที่สามารถสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดี นั่นก็ปรากฏมีในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลอย่างไรบ้างเราก็ย่อมทราบชัดทุกๆคนเมื่อเรามีความจริงเป็นพยานหลักฐานชนี้นแล้วเราจะเชื่อตามใครเราจะเห็นตามใครเมื่อมันมีอยู่ในทีนี้มันเป็นอยู่ในชี่นี้เราจะไปหาที่ไหน ขวดปฏิบัติต่างๆเพื่อรู้เพื่อเห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็สร้างขึ้นสร้างกําลังขึ้นมากําลังในฝ่ายที่ไม่ดีที่เรียกว่านิวรบ้างเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่ามารบ้างกิเลสสมานบ้างก็มีอยู่พลังที่ทางดีในสิ่งที่ดีเรียกว่าธรรมก็มีอยู่เป็นเครื่องแก้กัน เพราะฉะนั้นเราตรวจ ด, ดูพลังที่ไม่ดีที่ไม่อยู่ในจิตใจตามมาฉันทะความลหลงไหลเผากรรักใคร่ยึดมั่นในทางตามมาลมรูปเสียงกลิ่นรสปัตตะต่างๆนี่เป็นเหตุให้เราหลงเป็นเหตุให้เราไม่มีสติปัญญาอันละลับชอบได้เห็นชอบได้นี่ เป็นกําล th ังในฝ่ายที่ทําให้เกิดตัญหาความอยากเป็นสมุชัยคือเป็นปัจจัยให้ทุกเกิดเป็นที่อาศัยเกิดเหตุทุกเหยียบบาตรเป็นกําลังในทางอคติสนมูลเช่นเดียวกันสร้างทุกสร้างทหยียบาตเบียดเบียนสะทุกสะลายเวรกรรมต่าง นี่พลังในฝ่ายอ ก, โกโุศลทินะมิท่าความง่วงเหงาเข้านอนเกียดครานนี่เป็นส่วนหนึ่งทำให้โมหะความหลงสติปัญญาไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เราทาั้งหลายไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ เป็นปัจจัยที่สนุบบำรุงไฟยกิเลตความไม่ฉลาดให้เกิดขึ้นความเกียดข้าดความง่งมงวงเมาเผวอนอความพุ่งสร้างความรำคาญเรียกอุดพัจจะกุกวด จ, จเป็นข้อที่สี่นี่เป็นกำลังฝ่ายอกตศสมด้วยฝ่ายสยามานอเนกเพราะความพุ่งสร้างรำคาญนี มันไม่ให้จิตใจของเราสมบละเอียดลงไปได้ก็ควรตลอดเวลาข้อที่ห้าวิจิกิจฉาความสงสยัยลังเลในจิตในใจผลที่สุดไม่กล้าสละไม่กล้าทําให้ถึงสึ้นสภาพ ค, ความจริงกลัวจะผิดกลัวจะไม่รู้กลัวจนผลในสุดวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า ส่วนชีวิตเป็นของเม่แนนอนโดยทิ่งไปเ ป, ปล่าๆยังไม่ได้ทำเป็นเครื่องขัดขวางนิ่ฝ่ายไม่ดีเป็นกำลังกล้สิ่งเดินี้มีอยู่ในจิตใจข้อใดข้อหนึ่งนะเราเอาพลังทางธรรมมาช่วยมาแก้แล้วถูกเราสร้างสติ ข, ขึ้นมาและเลิก ตรวตรองเหตุผลสร้างให้เกิดสมาธิอบรมจิตให้มีปัญญาแล้วต้องอาศัยความเพียรพยายามระลึกนุ้นเข้าไปดูจิตใจของเราว่าจิตใจในปัจจุบันนี่ มีไยมารหรือกิเลสส่วนไหนที่เป็นพลังอยู่ในจิตใจที่ทำให้จิตใจของเราไม่สงบก็อกวรจิตใจเราอยู่เมื่อเรามีสติระลึกดูใจของเรามีความเพียรหนุนระลึกแต่มีสติตั้งมั่นแน่วแน่มีปัญญาคอยสอดส่อง ด้วยความเชื่อความเรื่มใสว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านพ้นจากมารและบ่วงของมารได้ด้วยกำลังห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสรวจตรว จ, รวจรองดูกำลังห้าอย่างมีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด ถ้าศรัทธาความเลื่อมใสใน ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อในการกระทาของตนเองว่าเราก็ดีสัตทั้งหลายก็ดีเป็นไปตามคําที่เราสวดทุกวันทุกวันบุคคลผู้มีความเพียรมีสติ มีสมาธิปัญญาในการกระทำความดีผู้คนผู้นั้นก็ได้รับผลดีได้รับความสุขได้พ้นจากทุกมาตามลำดับลาดับเราทั้งหลายที่ยังไม่พ้นจากทุกข์กเพราะกำลังส่วนนี้ยังอ่อนไม่สามารถที่จ ะ, ะกาจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เมื่อเราต้องการชนะกามฉันทะพยาบาท เห็นนิมิตะอุทจักกุกุจังวิติกิจฉาห้าอย่างได้เราจะต้องสร้างกำลังในฝ่ายอุสนในฝ่ายธรรมให้มันมีขึ้นศรัทธายังอ่อนก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาเรื่อมใสยังแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึง เพื่อให้บรรลุธรรมที่เรายังไม่บรรลุเพื่อเรารู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อถึงเห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นความเพียรของเรายังย่อหย่อนเ้าก็เต้นความเพียรขึ้นมาเพราะเราสร้างได้ความเพียรสติของเรายังไม่มั่นคงยังไม่หนานแน่นเราก็พยายามระลึกทำคำบาริกรรมขึ้นมา บางองค์ท่านลิกทุกอิริยาบทต่างๆไม่ต้องเอาอะไรกนะ็จะสร้างต่สติเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าให้ส่วนตัวของท่านหน่อยฟังแต่ก่อนภาวนาภาวนาไปบางครั้งก็จิตสงบได้นานได้สบายภาวนาไปภาวนาไปก็ไม่สงบอีกได้บ้างไม่ได้บ้างเปลี่ยนยเสมอต่อมาภายหลังท่านทำไมจบ ถึงเป็นอย่างนี้เคยภาวนาดีตลอดบางครั้งก็ได้บางอะไรวะถ้าจะสติของเรายังมีกำลังไม่พอมันเผลอจึงเป็นอย่างนี้ออาแต่นี้ไปเราจาับพยายามเจริญสติเอาพุโทโธอย่างเดียวจนมาติดต่อเนื่องกันไม่มีเผลอทันหว่าเดินเดินนั่งนอนมีแต่พุโทโธเลยไม่ต้องเอาอะไรดูพุโทโธก็ดูใจอยู่ในพุโทโธต่อเนื่องกัน เว้นไว้แต่รับพอระลึกได้แล้วพูดโทแทนพันธีเว้นไว้แต่เราพูดจําเป็นจะพูดเรื่องอื่นพอจบอันนั้นแล้วก็พูดโทแทนอีกไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามาให้ว่างจากพูดโทได้ท่านทํ า, นทานจนอินตัวจนสติแข้งแข็งเกงเ่กลา้าเอระลึกภาวนาลงไปจิตสงบรวมสนิทสิ่นี้ไม่เสื่อมท่านได้ความเจริญก้าวหน้ามาตามระดับระดับ ท่านเจริญเมื่อรู้วสติยังอ่อนท่านก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยความเพยายามท่านหวาเวรยเยนะุกรมจิติร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามสิ่งไหนที่รู้ว่ายังอ่อนยังไม่เพียงพอก็เจริญต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่มีใครฝึกให้เราเอถ้าเราไม่อบรมใครแต่แทนเราไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงคราวแนละ้เราจะต้องทำหน้าที่ให้แก่ตัวเองของเราเองให้ เพียงพอให้เข้มแข็งให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสมาธิของเรายังไม่มั่นคงยังตั้งไม่ค่อยมั่นบางทีก็ร่วมแระเดียวๆก็ท้อมารวมรื่อยๆก็ท้อมาตั้งไม่ติดเราก็พยายามทั้งสติทั้งความตั้งมั่นนะเมื่อทํานี่นะก็ต้องปัญญาสออองเเมื่ห็น ตรงไหนยังอ่อนยังไม่เพียงพอแล้วก็เจริญสิ่ น, นั้นทําเพิ่มขึ้นมาให้กำลังสมั น, สมนเสมอรวมกันทำงานซึ่งสามารถกำจัดอกุศลนี่วอนฝ่ายพยามานได้ชนะได้ในคราวใดจิตใจของเราเมื่อกำลัง <c oughs> ทางธรรมอ่อนกาลังทางพยามานทางอากุศลทมก็เจริญขึ้นครอบงำจิตใจ ให้อยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อตราบใดกําลังทำห้าอย่างมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นกําลังห้าอย่างเป็นเจ้าของจิตใจสามารถทับไลกิเลสมานเหล่านั้นให้ถอยออกไปหมดไปเส้นไปยตามบันดาลด้วยกําลัง น, นี้ นี่การปฏิบัติสมาธิเราต้องตรวจตรางสอดสองดูว่ากำลังส่วนไหนของเรายังอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรห้าอย่างสำคัญเท่าที่ปรากฏมาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีจิตใจเข้มแข็งท่านสร้างกำลัง สิบเหล่านี้ไม่ได้ลดลักทุกวันทุกเวลาทุกอิรยาบทต่างๆทันคอยกำกับสอดส่องจิตของท่านอยู่เสมอไม่ให้อกุศลอันลามกเข้ามาแทรก ส, สิงอยู่ในจิตในใจได้ท่นทยายามกำจัดจนถึงสภาวะแห่งความสงบความพุทธของบริสุทธิ์ ตั้งมั่นแน่ว แ, แน่ด้วยความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะพยายามทั้งหกทั้งใจศึกษาอย่างจริงจังกำหนดอย่างจริงจงพินิพิจารณาอย่างจริงจงจะต้องประสบความเข้าใจอันถูกต้องจะถึงซึ่งความสําเร็จได้ ไม่เป็นสิ่งเจือเหลววิสัยเพราะแบบแผนมันมีอยู่ในตัวของเราเพราะไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตอยู่เปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกได้ทั้งทางถูกมันจะมีอยู่แสดงให้เราอยู่เปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดรูดได้แต่เฉพาะคนอื่น แต่เรายังไม่ได้ฝึกให้เพียงพอเรายังไม่ได้เรียนให้จบเหมือนกับวิชาการต่างๆที่เขาเรียนได้เราเรียนได้แต่ชั้นต่ำๆเขาก็รู้ได้ช้นต่ำด้ชั้นสูงพขก็ยังไม่รู้เพรอะเราเรียนยังไม่จบส่วนความดีที่มีอยู่ในตัวของเรา มีไม่ใช่น้อยเราสร้างสมอบรมตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะระลึกความดีของเราไม่ค่อยจะลึกปรมีของเราความอดทนเราเคยอดทนมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยต่อสู้ได้ชนะมาตามลหลักจนมีชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันความเพียรพยายามก็มีอยู่แล้วเราเคยเพียรพยายามมาแล้ว เพียนชอบจนสร้างเมื่อสร้างตัวมาได้ในปัจจุบันเราถึงสติปัญญาของเราต้องมีอยู่แต่เราไม่ค่อยจะนั้นเลือกสำรวจตรวจรองเอามารวมพลังกําลังใช้ให้หนุนให้ได้ผลขึ้นมาให้ได้ความสุขยังตะกัดกระจายอยู่ที่เออเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วเราเมื่อจะเราฝังไว้ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ตัวของเราเอง หรือมียาวิเศษแล้วเราไม่ได้เอามาใช้เราเกิดโรคก็ไม่มีประโยชน์ในตัวของเราเรามีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมศีล เ, เราก็เคยปฏิบัติทานเราก็เคยรักษาเ เ, เคยเสียสละถึงฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมบวชเรียนเขียนอ่านเชินสมถมะวิปัสสนาเราก็เคยทำมาแล้วถ้าเราลึกถึงความดีหลัมนี้อยู่เสมอจิตใจของเราพิจัยผ่องแผ้ว ปลืม้มปิติยินดีในความดีของเราเองเราจะอบรมจิตใจให้สงบก็ง่ายเราจะสับสนมองดูธรรมะส่วนไหนส่วนต่อไปอีกมันก็ง่ายเพราะจิตใจมันดีมีความดีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยเลือกทึงสินที่เราพยายามละเว้นรากายรศารําพูดของเราพูดแต่สินที่มีประโยชน์ตลอดเวลาก็ทําให้จิตใจของเราผ่องแผ้วเหมือนกัน เป็นภาวนาไ ม, ม่กุศลเหมือนกันให้ได้ผลความสุขความ ส, สงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความเร้อนเดืดร้อนมวหมองจิตใจของเราเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดทำจิตใจให้มัวหมองให้ทุกข์อย่างนี้ขอพุทธเจ้ากินสอนให้รั <ao S 2> ในเรื่องนี้เราต้องมีสติตรวจตรองดูอย่าเพียงแต่ได้ยินท่านกล่าว ถ้าเรามองดูในจิตใจของเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นชัดในใจของเราตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่มีผิดมีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์แสดงไว้จํานวนเท่าไหร่ก็มีในจิตใจของเราทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงฉะนั้นมันยังผสมกันอยู่เพราะเหตุนั้นเรามานั่งสมาธิก็คือมานั่งเลือกเลือก สิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้ทานั้นเองสรุปใจความย่อๆเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่สงบสิ่งที่วิเวกสิ่งที่ทางใจของเราให้สบายเบิกบานมีสติดีมีปัญญาดีในการระลึกแต่เลึกให้มันดีจะเป็นลึอกโดยความเดือดร้อนในการที่ปล่อยวางอารมณ์ไม่ดีแล้วระลึกความดีให้เกิดความสงบ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแนละ้วเราวางจิตให้ถูกแล้วมันก็ค่อยรวมไปสงบไปสงบไปความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เร า, เราทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเปลี่ยนเสียายามดังบรรยายมาสงคนแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีก สมควรเก่เวลาและสิ่งเดพร้อมกัน